หนึรปะหิตานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตสัตตหะกรณียะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้นทรงทูตมาข้อหนึ่ิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พี่ชายน้องชายของภิกษุเป็นไข้ถ้าพี่ชายน้องชายนั้นจะพึงส่งทูตไปในสนักภิกษุผู้เป็นพี่ชายน้องชายว่ากระผมเป็นไข้ขอพี่ชายน้องชายของกระผมจงมากระผมประสงค์ให้มา ภิกษุทั้งหลายเมื่อพิชายน้องชายนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตหะกรณียะได้แต่เมื่อพิชายน้องชายนั้นไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตหะกรณียะพึงกลับในเจวันภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้พิ่สาน้องสาวของภิกษุเป็นไข้ถ้าพิสาน้องสาวนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักของภิกษุผู้เป็นพิชายน้องชายว่าดิฉันเป็นไข้ขอพิ่ชายน้องชายของดิฉันจงมา ที่ันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายเมื่อพี่สาวน้องสาวนั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยสัตหากรณียะได้แต่เมื่อพี่สาวน้องสาวนั้นไม่ส่งทูษมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตหากรณียะพึงกลับในเจ็ดวันภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ญาติของภิกษุเป็นไข้ถ้าญาตินั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุว่ากระผมเป็นไข้ พระคุณเจ้าจงมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายเมื่อญาตินั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยสัตหากรณียะได้แต่เมื่อญาตินั้นไม่ส่งทูษมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตหากรณียะพึงกลับในเจดวันภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้บุรุษผู้อาศัยอยู่กับภิกษุเป็นไข้ถ้าบุรุษนั้นจะพึงส่งทูษไปในสนักภิกษุว่ากระผมเป็นไข้ขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา กระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุรุษนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยสัตหากรณียะได้แต่เมื่อบุรุษนั้นไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตหากรณียะพึงกลับในเจ็วันทรงอนุญาตสัตหากรณียะเฉพาะกิจของสงสมัยนั้นวิหารของทรงหักพังอุบาสกคนหนึ่งได้ตัดเครื่องทัพพระสัมภาระทิ้งไว้ในป่า อุบาสกนั้นได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพระกุณเจ้าทั้งหลายจะพึงขนเครื่องทับพระสัมภาระนั้นมาได้กระผมขอถวายเครื่องทับพระสัมภาระนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตหะกรณียะได้แต่พึงกลับในเจ็ดวัน